ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิยานเถระหลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องการปล่อยว่า ที่เราอยู่ร่วมกันนี้จะต้องมีระเบียบระเบียบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนหมู่มากไม่ใช่จำเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้นโยคนเดียวก็ต้องมีระเบียบอย่างพระวินยัยพระวินัยสมัยก่อนนี้มีนิดเดียวพระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนามีมากขึ้นต่างคนต่างจะทำอะไรก็มีหลายเรื่องบางคนอยากจะทำอย่างนั้นบางคนอยากจะทาอย่างนี้ ก็มีกันมาเรื่อยๆเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าของเราตั้งข้อกติกาคือพระวินัยขึ้นมาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติอยู่ไปนานๆก็มีคนบางคนทําเรื่องมาอีกหลายอย่างดังนั้นพระวินัยจึงไม่มีทางจบสิ้นหลายล้านศิกขาบทแต่ก็ยังไม่จบพระวินัยไม่มีทางจบสิ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมเรื่องธรร ม, มะนี่มีทางจบก็คือการปล่อยวาง เรื่องพระวินัยก็คือเอาเหตุผลกันถ้าเอาเหตุผลกันแล้วไม่จบหรอกสมัยหนึ่งอาตมาไปบริหารพระสามหรือสี่องค์ไปอยู่ในป่าไฟไม่ค่อยจะมีเพราะอยู่บ้านป่าองค์หนึ่งก็ได้อ่านหนังสือธรรมะมาอ่าน อ่านอยู่ที่หน้าพระประธานที่ทมวัดกันอ่านอยู่ก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็หนีไปไฟไม่มีมันก็มืดพระองค์ที่มาทีหลังก็มาเหยียบหนังสือจับหนังสือขึ้นมาก็โวยวายขึ้นว่าพระองค์ไหนเนี่ยไม่มีสติทำไมไม่รู้จักที่เก็บหนังสือสอบสวนถามไปถึงพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็รับปากว่าผมเอาหนังสือเล่มนี้ไว้ที่นี่ ทำไมท่านไม่รู้จักที่เก็บหนังสือผมเดินมาผมเหยียบหนังสือนี้โอ้อันนั้นเป็นเพราะว่าท่านไม่สำรวมต่างหากเล่า<จ> <blind> เห็นัหยมันมีเหตุผลอย่างนั้นจึงเถียงกันองค์นั้นบอกว่าเพราะท่านไม่เอาไปไว้ในที่เก็บท่านไม่รู้จักเก็บหนังสือท่านจิงไว้อย่างนี้ องนี้ก็บอกว่าเป็นเพราะท่านไม่สำรวมท่านสำรวมแล้วคงไม่เดินเหยียบหนังสือเล่มนี้มีเหตุผลว่าอย่างนั้นมันก็เกิดเรื่องทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันไม่จบด้วยเรื่องเหตุผลเรื่องธรรมะที่แท้จริงนั้นต้องทิ้งเหตุทิ้งขนคือธรรมะมันสูงกว่านั้น ธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านตัสรู้ระ ง, งับกิเลส ท, ทั้งหลายได้นั้นมันอยู่นอกเหตุเหนือผลไม่อยู่ในเหตุอยู่เหนือผลทุกข์มันจึงไม่มีสุขมันจึงไม่มีทำนั้นท่านเรียกว่าระ ง, งับระ ง, งับเหตุระ ง, งับผลถ้าพวกใช้เหตุผลอยู่อย่างนี้เถียงกันตลอดจนตายเหมือนพระสอ ง, องค์นั้น ทำที่พระพุทธองค์ท่านตัสรู้ต้องอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายทำนี้เป็นธรรมที่ระงับคนเราก็มาสงสัยอยู่นี่แหละผู้ชายยิ่งสงสัยมากความสงสัยในตัวสำคัญมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้มันจะตายอยู่แลละมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธองค์ธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเดินไปเท่านั้น ถ้ามัวคิดว่าเมื่อไปถึงนี้ฉันนี่สุขหลือเกินไม่ได้ฉันนี่ทุกข์หือเกินไม่ได้แต่ถ้าฉันไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่คือมันระ ง, งับแล้วสงสัยไม่มีตรงโน้นมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆสุขเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้มันทั้งสองอย่างนี้ สุขนี้ก็สักว่สุขทุกนี้ก็สักว่ทุกเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาทานี้เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นมาดับไปเท่านั้นจะเอาอะไรกับมันสงสัยทําไมมันเกิดอย่างนั้นเมื่อเกิดอีกทําไมมันไปอย่างนั้นละ่ะสงสัยอย่างนี้มันเป็นทุกข์ปฏิบัติไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องมันทําให้เกิดเหตุไม่ระงับเหตุของมันความเป็นจริง ธรรมที่พวกเราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ธรรมนี้นําเราไปสู่ความสงบสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชื่นชอบจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าเราชอบสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่หมดธรรมนี้ไม่ใช่ทําระงับธรรมนี้เป็นธรรมก่อทุกข์ขึ้นมาให้เข้าใจอย่างนั้น ฉะนั้นเราจึงสงสัยตลอดเวลาแม้วันนี้ฉันได้มันแล้วพรุ่งนี้ทําไมหายไปแล้วมันหายไปไหนฉันนั่งเมื่อวานนี้มันสงบดีเลือเกินวันนี้ทําไมมันวุ่นวายมันไม่สงบเพราะอะไรอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เหตุของมันครั้นปล่อยวางว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้วันนี้มันสงบแล้วเออไม่แน่นอน เราต้องเห็นโทษมันอย่างนี้สงบแล้วมันก็ไม่แน่นอนฉันไม่ยึดมั่นไว้สงบก็สงบเถอะความไม่สงบก็ไม่แน่นอนเหมือนกันฉันไม่ว่าฉันเป็นผู้ดูเท่านั้นที่สงบฉันก็รู้ว่าเรื่องมันสงบที่ไม่สงบฉันก็รู้ว่าไม่สงบแต่ว่าฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่ามันสงบหรือไม่สงบเห็นไหมเรื่องมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ระงับ มันก็ไม่วุ่นวายมันจะสงบฉันก็รู้ว่ามันเรื่องของมันฉันจะดูอยู่แค่นี้แหละดูเรื่องที่มันสงบมันก็ไม่แน่นอนดูเรื่องที่มันวุ่นวายมันก็ไม่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปเป็นกับมันเลยถ้าอย่างนี้มันก็สบายและสงบเพราะว่าเรารู้เรื่องมัน ไม่ใช่ว่าเราอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้มันสงบเพราะเรารู้เรื่องว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการปล่อยวางเราคิดดูสิว่าถ้าคนทุกคนต้องพูดในถูกใจฉันคนทุกคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกจะให้เขามาพูดถูกใจเรามีไหมจะมาทำให้ถูกใจเราทุกคนนมีไหมไม่มี เมื่อไม่มีเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการปล่อยวางเราเกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายในชีวิตหนึ่งจะสบายได้ไหมคนเราคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่มีความสงบ เพราะคนหลายคนใครจะมาพูดให้ถูกใจเราทุกคนใครจะมาทําให้ดีทุกคนมันไม่มีหรอกอย่างเนี้นี่มันเป็นธรรมะเราจะต้องศึกษาอย่างนี้ฉะนั้นเราจะต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปหมายมั่นอย่าไปยึดมั่น จับมาดูแล้วรู้เรื่องเราก็ปล่อยมันไปสะอย่างนางเตยเนี่ยเห็นไหมมันทำอย่างนั้นมันถูกใจเราไหมบางทีก็ไปในวัดแล้วก็เข้าห้องน้ำซิฉันจะปรงสังขารเดี๋ยวนี้ฉันไม่หนีหรอกจะต้องไปรื้อส้วมเอามันออกมาต่อมามันก็ทำอีกเพราะคนมันเป็นบ้าใช่แล้ว จำเป็นมันก็ต้องปล่อยไปนางเตยนะ่ะมันเป็นบ้าเสีแล้วเราต้องรู้เรื่องกันว่ามันเป็นบ้ามันสติไม่ดีมันเสียสติอย่าไปถือมันเลยเขาจะพูดยังไงก็รับฟังมันไปเถอะมันจะทํายังไงก็ระวังไว้มันเป็นอย่างนั้นของมันเราต้องถอยกลับมาอยู่ตรงนี้เราก็มีความสบาย อรมก็เหมือนกันฉันนั้นที่มันมากระทบเราอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ร้ายบางทีก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกๆคนนั่งอยู่ในที่นี้ก็เหมือนกันจะทำให้ถูกใจเราทุกคนมีมันไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติธรรมะให้รู้ว่าคนคนนี้มันเป็นอย่างนี้นานาจิตตังไม่เหมือนกันเราจำเป็นต้องอบรมใจของเราทุกๆคน เมื่อมันโกรธขึ้นก็ดูความโกรธความโกรธนี้มันมาจากไหนเราทำให้มันโกรธหรือเปล่าดูว่ามันดีไหมทำไมเราถึงชอบมันทำไมเราถึงไม่ทิ้งมันเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วไม่ดีไม่ดีเราเก็บไว้ทำไมก็เป็นบ้าเท่านั้นทิ้งมันไปเสียถ้าเห็นว่ามันไม่ดีมันก็จะไปในทํานองนี้ เมื่ออยู่ด้วยกันกับคนมากๆ ม, มันก็ยิ่งให้การศึกษาเรามากที่สุดให้มันวุ่นวายซะก่อนให้รู้เรื่องของความวุ่นวายซะก่อนมันจึงจะถึงความสงบอย่าหนีไปที่ไหนพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อนไปบิณฑบาตบ้านมิจฉาทิฐิพอไปถึงหน้าบ้านพระพุทธองค์ก็สภายบาทยืนเฉยท่านก็สบายเพราะท่านเข้าใจว่าเรายืนอยู่เฉยๆมันไม่บาปรก เขาจะให้ก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรท่านยืนอยู่เฉยๆพระอานนท์เดินย่ำเท้าไปมาอายเขาคิดว่าพระพุทธองค์เนี่ยอยู่ทาไมถ้าเขาไล่ก็น่าจะหนีไปเขาไม่ให้ก็ยังทนอยู่ไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยพระพุทธองค์ก็เฉยจนกว่าสุดวิสัยแล้วก็ไปบางทีเขาก็ให้ ให้ในฐานะที่ไม่ขอรบพระพุทธเจ้าก็เอาเขาให้พระพุทธเจ้าก็เอาท่านไม่หนีไปไหนไม่เหมือนพระานนท์พอกลับมาถึงอารามพระานนท์ก็กราบพระพุทธองค์ถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรงไหนที่เขาไม่ใส่บาตรให้เราเราจะไปยืนอยู่ทําไมมันเป็นทุกข์อายเขา เขาไม่ให้ก็รีบไปที่อื่นเสียมิดีกว่าหรือพระพุทธองค์ตรัสอานน์ตรงนี้ถ้าเรายังไม่ชนะมันไปที่อื่นก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่ไปที่อื่นเราก็ชนะพระอานน์ว่าชนะไม่ชนะไม่รู้เรื่องอ่ะอายเขาอายทําไมอานน์อย่างนี้มันผิดหรือเปล่า เป็นบาปไหมเรายืนอยู่เขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรพระอานน์บอกว่าอายอายทําไมเรายืนอยู่เฉยเฉยมันเป็นบาปที่ไหนอานน์เราจะต้องคําอยู่อย่างนี้ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ชนะแต่ถ้าเขาไม่ให้เราก็ไปที่โน้นถ้าไปที่โน้นแล้วเขาไม่ให้ เราจะไปไหนอานนไปอีกไปบ้านโน้นอีกถ้าหากบ้านโน้นเขาข้อไม่ให้เราจะไปตรงไหนก็ไปตรงโน้นอีกเลยไม่มีที่หยุดเลยอาหนนถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียวไปที่อื่นมันก็ชนะทางนั้นอานนุนเข้าใจผิดแล้วไม่ต้องอายสิ พระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นบาปอันนั้นท่านให้อายอะไรที่ไม่เป็นบาปจะอายทําไมใครอายก็โง่เท่านั้นภาวนายังไม่เป็นเลยถ้าอายอย่างนั้นเราจะไปอยู่ตรงไหนถึงจะมีปัญญาถ้าไปอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้มันก็สบายแต่เราจะไม่รู้เรื่องสบายอย่างนี้มันไม่มีปัญญาถ้าถูกอารมณ์แล้วปัญญามันไม่มีก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น ฉะนั้นเราอยู่ในโลกก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เรื่อยไปเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นมันก็เป็นไม่อยากจะอยู่มันก็อยู่เป็นไปอยู่อย่างนั้นให้เรามาพิจารณาอย่างนั้นเราต้องกลับมาย้อนพิจารณาอารมณ์ที่ท่านตรัสว่านินทาสรรเสริมมันเป็นคู่กันมาเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริมเป็นธรรมดาของโลก ถ้าไม่ดีเขาก็นินทาถ้าดีเขาก็สรนเสริญพระพุทธองค์ท่านไม่เห็นแก่นินทาไม่เห็นแก่สันเสริญจงเรียนสรนเสริญให้มันรู้จักจงมาเรียนนินทาให้มันรู้จักให้รู้จักสรรเสริญกับนินทาสรรเสริญนินทามันก็มีผลมีเหตุเท่ากันนินทาเราก็ไม่ชอบนี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสรนเสริญเราชอบ สิ่งที่เราชอบมันพาให้เราทุกข์มีไหมเช่นว่าเรามีเพชรสักเม็ดหนึ่งเราชอบมากชอบกว่าก้อนหินธรรมดาเอาวางไว้ถ้ามีขโมยมาหยิบอาก้อนเพชรไปเราจะเป็นยังไงนั่นมันของดีมันหายทำให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันดังนั้น เราต้องอดทนต่อสู้ให้เรามีสติคุ้มครองจิตของเราสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันนี้ช่วยประครับประคองดวงใจของเราให้อยู่กับธรรมะสติระลึกได้ว่าบัดนี้เราจะจับไม้เท้าเมื่อเราจับไม้เท้าอยู่ก็รู้ว่าเราจับไม้เท้านี่เป็นสัมปชัญญะถ้าเรารู้อยู่ในขณะนี้ขณะเมื่อเราจะทา หรือเมื่อเราทําอยู่ก็รู้ตามความจริงของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละที่จะช่วยประครับประคองใจของเราให้รู้ธรรมะที่แท้จริงทีนี้ถ้าหากว่าเราเผลเอไปนาทีหนึ่งก็เป็นบ้านาทีหนึ่งเราไม่มีสติสองนาทีเราก็เป็นบ้าสองนาทีถ้าไม่มีสติครึ่งวันเราก็เป็นบ้าอยู่ครึ่งวันเป็นอย่างนี้ สตินี้คือความระลึกได้เมื่อเราจะพูดอะไรทำอะไรต้องรู้ตัวว่าเราทำอยู่เราทาอยู่เราก็รู้ตัวอยู่ระลึกได้อยู่อย่างนี้คล้ายๆกับเราขายของอยู่ในบ้านของเราเราก็ดูของของเราอยู่คนจะเข้ามาซื้อของหรือขโมยของของเราถ้าเราสะกดรอยมันอยู่เสมอเราก็รู้เรื่องว่าคนคนนี้มันมาทำไมเราจับอาวุธของเราไว้อยู่อย่างนี้คือเรามองเห็น พอขโมยมันเห็นเรามันก็ไม่กล้าที่จะทําเราอารมณ์ก็เหมือนกันถ้ามีสติรู้อยู่มันจะทําอะไรเราไม่ได้อารมณ์มันจะทําให้เราดีใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้มันไม่แน่นอนหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปจะไปยึดมั่นถือมั่นทําไมอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกถ้าอย่างนี้อารมณ์นั้นก็เป็นโมฆะเท่านั้นเราสอนตัวของเราอยู่ เรามีสติอย่างนี้เราก็รักษาอย่างนี้เรื่อยๆไปตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนๆก็ตางเมื่อเรายังมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่การภาวนาไม่ใช่ว่าเราจะนั่งสมาธิอย่างเดียวยืนเดินนั่งเราก็รู้จักนอนอยู่เราก็รู้จักเรารู้จักตัวของเราอยู่เสมอจิตของเรามีความประมาทเราก็รู้จักไม่มีความประมาท เราก็รู้จักของเราอยู่ความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าพุทธโธเรารู้เห็นนานานพิจารณาดีๆมันก็รู้จักเหตุผลของมันมันก็รู้เรื่องยกตัวอย่างเช่นชาวตะวันตกมาอยู่ในประเทศไทยอยู่ไปเฉยๆอย่างนั้นความที่อยู่ติดต่อใกล้ชิดกันไปถึงแม้จะพูดภาษาไม่รู้เรื่องก็ตามแต่มันรู้เรื่องเข้าใจได้เห็นไหม มองดูหน้ากันรู้เรื่องกันถึงพูดภาษากันไม่รู้เรื่องแต่ก็อยู่กันไปได้มันรู้กันด้วยวิธีนี้ไม่ต้องพูดกันทำงานก็ต่างคนต่างทำทำอยู่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละไม่รู้จักพูดกันมันก็ยังรู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้รู้ได้โดยอากับกิริยาที่ว่ารักกันหรือชอบกันอะไรมันก็รู้ของมันอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับแมวกับสุนัขมันไม่รู้ภาษา แต่ว่ามันก็รู้จักรักเจ้าของเหมือนกันแมวหรือสุนัขอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านสุนัขมันก็วิ่งไปทําความขอบคุณด้วยเห็นไหมถ้าเรามาจากตลาดหรือมาจากที่อื่นมาถึงบ้านแมวอยู่ที่บ้านเรามันก็มาทําความขอบคุณมันจะร้องว่าเมี me ow, me ow ้ยวเมี้ยวมันมาเสียดมาสีเราแต่ภาษามันไม่รู้แต่จิตมันรู้อย่างนั้น อันนี้เราก็อยู่ไปกันได้อย่างนั้นเราต้องให้เข้าใจกันอย่างนั้นเราปฏิบัติธรรมะบ่อยๆจิตมันก็คุ้นเคยกับธรรมะเช่นว่าความโกรธเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์พระท่านว่ามันเป็นทุกข์มาแล้วชอบทุกข์ไหมไม่ชอบไม่ชอบและเอาไว้ทําไมถ้าไม่ชอบจะยึดเอาไวทไ้ทําไหมทิ้งมันไปสิถ้าทุกข์มันเกิดละ่ะคุณชอบทุกข์หรือเปล่าไม่ชอบเมื่อไม่ชอบทุกข์แล้วยึดไวทไ้ทํา ก็ทิ้งมันไปเฉยๆท่านก็สอนทุกวันทุกวันก็รู้เข้าไปรู้เข้าไปทุกมันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็รู้คําสอนครั้งหนึ่งทุกเราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกแต่เราไปยึดไว้ทําไมสอนอยู่เรื่อยๆบางทีก็เห็นชัดเห็นชัดก็ค่อยๆวางวางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเก่าทีนึงก็ดีสองทีก็ดีสามทีก็ดีมันก็เกิดประโยชน์แล้ว เกิดรู้เรื่องขึ้นมาแล้วเมื่อมันเกิดมาความรู้เฉพาะตัวของเราเราจะนั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพูดภาษาไม่เป็นแต่จิตเรารู้ภาษาธรรมะเราปิดปากตรงนี้ไว้ปิดปากกายแต่เปิดปากใจนี้ไว้ใจมันพูด นั่งอยู่เงียบๆยิ่งพูดดีพูดกับอารมณ์รู้อารมณ์เสมอนี่เรียกว่าปากในนั่งอยู่เฉยๆเราก็รู้จักพูดอยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในไม่ใช่คนโง่คนรู้อยู่ข้างในรู้จักอารมณ์สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้ชีวิตของเราเนี่มันแก่ทุกวัน เกิดมามีการยกเว้นไม่แก่บ้างัหมวันคืนของเราเนี่ยตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนค่ำมันยกเว้นอายุของเราไหมวันนี้มันก็ให้แก่พรุ่งนี้มันก็ให้แก่นอนหลับอยู่มันก็ให้แก่ตื่นอยู่ก็ให้โตขึ้นตามเรื่องของมันเรียกว่าปฏิปทาของมันสม่าเสมอเหลือเกินเราจะนอนอยู่มันก็ทางานของมันอยู่เราจะเดินมันก็ทำงานคือความโตของเรานี่แหละ กลางวันมันก็โตกลางคืนมันก็โตจะนั่งอยู่จะนอนอยู่มันมีความโตของมันอยู่เพราะมันชีวิตประจําวันมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอร่างกายของเรามันได้อาหารมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าปฏิปทาของมันมันจึงทําให้เราโตจนไม่รู้สึกดูเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็โตของมันเองแต่สิ่งที่เราทําก็คือเรากินอาหารกินข้าวดื่มน้ำนั่นเป็นเรื่องของเรา เรื่องร่างกายมันจะโตจะอ้วนมันก็เป็นของมันเราก็ทำงานของเราสังขารก็ทำงานของสังขารมันไม่พลิกแพลงอะไรนี่ปฏิปทามันติดต่อกันอยู่เสมอการทำความเพียรของเราก็เหมือนกันต้องพยายามอยู่อย่างนั้นเราจะต้องมีสติ ต, ติดต่อกันอยู่อย่างนั้นเสมอ มีความรู้ติดต่อกันอยู่เสมอเป็นวงกลมจะไปถอนหญ้าก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะทานอาหารก็ได้จะกวาดบ้านอยู่ก็ได้ต้องไม่ลืมมีความรู้ติดต่ออยู่เสมอตัวนี้มันรู้ธรรมะมันจะพูดอยู่เรื่อยเๆใจข้างในมันจะพูดอยู่เรื่อยๆเป็นอยู่อย่างนั้นมีความรู้อยู่มีความตื่นอยู่มีความเบิกบานอยู่สม่ำเสมออย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นประโยชน์มาก ไม่ต้องสงสัยอะไรเลยอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงอันนั้นก็ดีแต่ว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเท่านี้แหละเราก็รู้ของเราไปเรื่อยๆ เ, เท่านั้นแหละการปฏิบัติของเรามีคนถามว่า การทําทภาวนาเนี่ยต้องอธิษฐานหรือไม่จะทําเวลานานเท่าไหร่ห้าหรือว่าสิบนาทีอาตมาเลยบอกว่าไม่แน่นอนบางทีอธิษฐานว่าฉันจะนั่งสามชั่วโมงนั่งไปได้สิบนาทีก็เดือดร้อนแล้วไม่ถึงชั่วโมงก็หนีไปแล้วเมื่อหนีไปแล้วก็มานั่งคิดว่าแหมเราเนี้พูดโกหกตัวเราเองเอาแต่โทษตัวเองอยู่ไม่สบายใจบางทีก็เอาธูปสักสดอกหนึ่งมาจุดอธิษฐานจิตใจว่า ไฟจุดทูบดอกนี้ไม่หมดฉันจะไม่ลุกหนีฉันจะพยายามอยู่อย่างนี้พอท่านพูดอย่างนี้พย า, ยามามานก็ามาแล้วนั่งเข้าไปสักนิดหนึ่งนั่นทุกหลายเลือเกินเดี๋ยวมดกัดเดี๋ยวยุงกัดมันวุ่นไปหมดจะลุกหนีไปก็อธิษฐานแล้วนี่มันตกนรกนึกวัานานเต็มทีแล้วลืมตาดูมองดูทูบ ก, ก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยหลับตาอาธิษฐานใหม่ต่อไปอีกสามทีสี่ทีทูบ ก, ก็ยังไม่หมด เลยก็มาคิดเรานี่มันไม่ดีเหลือเกินโกหกตัวของตัวอยู่เลยวุ่นยิ่งกว่าเก่าอีกเรานี่เป็นคนไม่ดีเป็นคนอับปรจันไรเป็นคนโกหกพระพุทธเจ้าโกหกตัวเราเองเกิดบาปขึ้นมาอีกอาตมาเห็นว่าต้องพยายามทำไปเรื่อยๆพอสมควรที่จะเลิกก็เลิกเหมือนกันกับเราฐานข้าวเราอธิษฐานมันเมื่อไหร่ ทานไปทานไปมันจวนจะอิ่มจะพอเราก็เลิกเมื่อ น, นั้นกินมากไปก็อาเจียนออกเท่านั้นแหละให้มันพอดีอย่างนั้นเราเหมือนพ่อคาเกวียนต้องรู้จักกำลังโคของเราต้องรู้จักกำลังเกวียนของเราโคของเรามีกำลังเท่าไหร่เกวียนของเรารับน้ำหนักได้เท่าไหร่ต้องรู้จัก ต้องเอาตามกำลังโคต้องเอาตามกำลังเกวียนของเราอย่าเอาตามความอยากของเราสิเรามีเกวียนเล่มเดียวอยากจะบรรทุกหนักให้ขนาดรถสิบล้อมันก็พังเท่านั้นก็ตายนะสิมันต้องค่อยๆไปค่อยๆทำอย่างนี้ให้รู้จักของเราปฏิปทาเราทำไปเรื่อยๆก็สบายมันวุ่นวายก็ตั้งใหม่มันวุ่นวายก็ไปก็ตั้งใหม่ถ้ามันวุ่นวายนะักก็ลุกเดินจงกรมสักเดินมันจนเหนื่อย พอเหนื่อยก็มานั่งนั่งกำหนดมันเหนื่อยมันจะสงบระ ง, งับถ้าเดินก็พอแรงนั่งก็สมควรแล้วอยากจะพักผ่อนก็พักผ่อนเสียแต่ว่าจิตใจอย่าหลืดมีสติอยู่ทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนให้สม่ำเสมออย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นการประพฤติปฏิบ SO ัติธรรมต้องไม่ย่อหย่อน จะต้องทำความพยายามอย่างนั้นความอยากจะเร็วของเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นความอยากของเราใจอยากจะเร็วที่สุดแต่มันทำไม่ได้ธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็กำหนดจิตปฏิบัติตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นอยากจะให้มันเร็วที่สุดนั้นไม่ใช่ธรรมมันคือความอยากของเราเราจะทำตามความอยากของเรานั้นไม่จบ ให้รู้จักดูประวัติของพระอานุ์พระอานุ์นั้นมีศรัทธามากที่สุดพรุ่งนี้เขากําหนดให้พระอาหารหันต์ทำปฐมสังขยนาแล้วคณะสงฆ์ก็กําหนดพระอานุ์องค์หนึ่งว่าจะเอาไปร่วมทําสังขยนาแต่จะเอาเฉพาะพระอาหารหันต์ทั้งนั้นพระอานุ์เหลือเพียงองค์เดียวเท่านั้นยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ไม่รู้จะทำยังไง พระอานนท์ก็อาศัยความอยากนึกว่าเราต้องทําอะไรนะ้อจึงจะสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์พรุ่งนี้เขาจะนับเข้าอันดับแล้วจะประชุมสองท์ทําสังขยาดาตอนกลางคืนก็ตั้งใจนั่งไม่ได้นอนทั้งคืนนั่งทำอยู่อย่างนั้นอยากจะเป็นพระอาหารหันต์กลัวจะไม่ทันเพื่อนเขาทําไปทุกอย่างคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาอยากคิดไปทางโน้นก็มีแต่ปัญญาอยากคิดไปทางไหนก็มีแต่ปัญญาอยากทั้งนั้นวุ่นวายไปหมด คิดไปก็จวนจะสว่างเรานี้แย่เราจะทําอย่างไรเนาะเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายจะทําสังขยาแล้วเรายังเป็นปูทุชนจะทําอย่างไรหนาะคาที่พระพุทธองค์ทัดแสดงไว้เราพิจารณาทุกอย่างไม่ขัดข้องแต่เรายังตัดกิเลสไม่ได้ยังไม่เป็นพระอริยะเจ้าทําอย่างไรเนาะ เลยคิดว่าเราก็ทําความเพียรมาตั้งแต่ย่ำค่ําจนถึงบัดนี้หรือมันจะเหนื่อยไปมากกระมังคิดว่าควรจะพักผ่อนสักพักหนึ่งเลยเอาหมอนมาจะพักผ่อนเมื่อจะพักผ่อนก็ปล่อยวางทอดทุระหมดเท่านั้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเลยพอเท้าพ้นพื้นเท่านั้นตอนนั้นขณะจิตเดียวพอดีจิตรวมได้ที่ตั้งใจว่าจะพักผ่อนมันปล่อยวางทอดทุระตอนนั้นเองพระอาหนนได้ตรัสรู้ธรรม ตอนที่ว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่ปล่อยวางก็เลยไม่มีโอกาสที่จะตัดสรู้ธรรมให้เข้าใจว่าการที่ตัดสรู้ธรรมนั้นมันพร้อมกับการปล่อยวางด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะเร่งให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น พอพักผ่อนพอวางเขาปุ๊บตรงนั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งไม่มีความอยากเข้ามายุ่งเลยสงบตรงนั้นเลยพอจิตตอนนั้นรวมดีก็เป็นโอกาสพบตรงนั้นพระานนท์เกือบจะไม่รู้ตัวรู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นที่พระาอนนท์อยากจะตัสรู้ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่คือความอยากแต่พอรู้จักวางตรงนั้นแหละคือการตัสรู้ธรรมะ คนไม่รู้จักมันก็ทำยากเช่นว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของคนความวิตกของปุถุชนจะไปวิตกตรงนั้นก็ไม่ได้เช่นว่านี่พื้นนั่นหลังคาตรงนี้ระหว่างหลังคากับพื้นไม่มีอะไรเห็นไหมตรงนี้ไม่มีพบพบคือหลังคากับพื้นระยะกลางนี้เรียกว่าไม่มีพบถ้าคนจะอยู่ก็ต้องอยู่ข้างล่างหรือข้างบนตรงนี้ไม่มีคนที่จะอยู่ไม่มีใครที่จะอยู่เพราะว่ามันไม่มีพบ ตรงนี้คนไม่สนใจการปล่อยวางอย่างนี้คนไม่สนใจว่าการปล่อยวางมันจะเกิดอะไรไหมเมื่อขึ้นไปถึงนู้นเป็นภพที่เคยอยู่ลงมาทางนี้ก็เป็นภพที่เคยอยู่ขึ้นไปข้างบนนี้หน่อยก็สุขสบายหล่นลงมาตูมก็เจ็บแล้วเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์กับสุขแต่ที่มันจะวางให้เป็นปกติไม่มีเพราะว่าที่ไม่มีภพนั้นคนไม่สนใจแม้จิตจะวิตกก็ให้วิตกไปในปกติไม่มีภพ ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่มีภพไม่มีชาติคือไม่มีอุปทานนั่นเองอุปทานเป็นเหตุให้ทุกเกิดถ้าอุปทานนั้นเราปล่อยไม่ได้เราอยากจะสงบมันก็ไม่สงบคนเราอยู่กับภพบถ้าไม่มีภพคิดไม่ได้เพราะนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นกิเลส ข, ของคนมันเป็นอย่างนั้นพระนิพพานที่พระพุทธองค์ท่านว่าพ้นจากภพชาติฟังไม่ได้ไม่เข้าใจ มันเข้าใจแต่ว่าต้องมี พ, พบชาติถ้าไม่มีพบถ้าไม่มีที่อยู่ฉันจะอยู่อย่างไรยิ่งคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราแล้วเนี่ยฉันจะอยู่อย่างนี้ไม่ดีกว่าหรืออยากจะเกิดอีกแต่ก็ไม่อยากตายมันขัดกันซะอย่างนี้ฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายมันพูดเอาคนเดียวตามภาษาคนแต่การเกิดและไม่ตายนั้นมีไม่ในโลกนี้เมื่อคนอยากเกิดก็คือคนนั้นอยากตายนั่นเองแต่เขาพูดว่าฉันอยากเกิดแต่ไม่อยากตาย มันคิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาก็ไปคิดเนี่ยมันทุกข์ทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้จักทุกข์เขาจึงคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านว่าตายนี้มาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายอยากเกิดสิแต่นี่อยากเกิดอีกแต่ว่าไม่อยากตายพูดกับกิเลสตัณหาเนี่ยมันยากมันลำบากมันถึงมีการปล่อยวางได้ยากมีการปล่อยวางไม่ได้อย่าง กิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าไม่มียางต้นเสาอันนี้อะไรไปก่อนไม่มีที่ก่อนจึงไม่มีพบไม่มีชาติถ้าพูดถึงว่าเราไม่มีพบมีชาติเราฟังไม่ได้จนกระทั่งท่านย้ำเข้าไปถึงตัวตนนี้ว่าไม่มีตัวมีตนตัวตนนั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นมันจริงอยู่มันก็จริงโดยสมมุติ ถ้าพูดถึงวิมุตต์ตัวตนก็ไม่มีเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราก็ไปสมมุติว่ามันเป็นตัวเป็นตนเกิดเกิดขึ้นมาเมื่อเป็นสมมุติเป็นตัวเป็นตนก็ยึดตัวตนนั้นไว้เลยเป็นคนมีตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้าไม่มีตนของตนก็ไม่มีถ้ามีตนมันก็มีสุขมีทุกข์ถ้ามีตนมันก็มีของตนพร้อมกันขึ้นมาเลย เราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นฉะนั้นคนเราจรึงไปคิดว่าอยากเกิดแต่ไม่อยากตายพูดถึงเรื่องกระแสพระนิพพานแล้วถ้าไม่รู้ปัจจัตตังแล้วก็ไม่มีใครที่จะปรารถนาอะไรถึงพระนิพพานนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปรารถนาอีกด้วยพระนิพพานปรารถนาไม่ได้เหมือนกัน อย่างนี้มันเป็นลักษณะที่เข้าใจยากถึงเราจะเข้าใจในเรื่องพระนิพพานแต่จะพูดให้คนอื่นฟังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่เข้าใจเพราะทำอันนี้ถ้าแบ่งให้กันได้มันก็สบายละสิแต่ทำนี้มันเป็นปัดจัดตังมันรู้เฉพาะตัวของเราเองบอกคนอื่นได้แต่มีปัญหาอยู่ว่าคนอื่นจะรู้ไหม ฉนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอาขาตาโรตถาคตาแปลว่าพราตะตถาคตเป็นแต่ผู้บอกนั่นก็เหมือนกับเราทุกวันนี้แหละเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้ทําให้บอกแล้วให้เอาไปทำํำจึงจะเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นเกิดความเป็นจริงขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจจัตตังเวทิตพโววินยูหิวินยูชนรู้เฉพาะตัวเองทั้งนั้น อย่างพูดวันนี้จะมาเชื่ออาตมานั้นก็ยังไม่ใช่ของดีมันยังไม่ใช่ของแท้คนที่เชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธองค์ท่านว่ายั ง, งโง่อยู่พระพุทธองค์ท่านให้รับรู้ไว้แล้วไปพิจารณาให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเองคำนี้มันจึงเป็นปัจจัดตังอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องการฟังธรรม ก็ให้ทำความเข้าใจว่าต้องไม่ปฏิเสธรับฟังไม่เชื่อก็พิจารณาดูไม่เชื่อก็ไม่ว่าเชื่อก็ไม่ว่าวางไว้ก่อนเราจะรู้โดยให้เกิดปัญญาอะไรทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอในใจของเราเองก็ยังไม่ปล่อยวางคือว่ามีสองข้างนี่ข้างหนึ่งนี่กัอีกข้างหนึ่ ง, น ง, นงคนเรานั้นจะแอบเดินมาข้างนี้หรือแอบเดินไปข้างนั้นที่เดินไป ก, กลางๆไม่ค่อยเดินหรอกมันเป็นทางเปลี่ยว เดี๋ยวรักก็ไปทางรักพอชังก็ไปทางชังจะปล่อยการรักการชังนี้ไปมันเป็นทางเปรี่ยวมันไม่ยอมไปเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมะทรงเทศเป็นปฐมเทศนาเลยตรงนี้ทางหนึ่งเป็นทางสุขของกามทางหนึ่งเป็นทางทุกข์ทรมานตนสองทางนี้ไม่ใช่ทางที่สงบท่านพูดว่าไม่ใช่ทางของสมณะ สมณะนี้คือความสงบสงบจากสุขทุกข์ไม่ใช่มีความสุขแล้วมันสงบไม่ใช่มีความทุกข์แล้วมันสงบต้องปราศจากสุขหรือทุกข์มันจึงเป็นเรื่องความสงบถ้าเราทําอย่างนั้นและมีสุขใจเลือเกินอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะที่ดีนะแต่เราต้องวางสุขหรือทุกข์ไว้สองข้างความรู้สึกต้องไปกลางกลางเดินผ่านมันไป ก, ากลางๆงเราก็มองดูสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นแต่เราไม่ปรารถนาอะไร เดินมันเรื่อยไปเราไม่ต้องการสุขเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องการความสงบจิตใจของเราไม่ต้องแวะไปหาความสุขไม่ต้องแวะไปหาความทุกข์ก็เดินมันไปเรื่อยเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นมัคมีองแปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วสัมมาสังกปะคือความดำริวิตกวิจาร์มันก็ชอบทั้งนั้นอันนี้เป็นสัมมามัคเป็นมัคปฏิปทาถ้าจะทาอย่างนี้ ให้เกิดอย่างนั้นทีนี้เราได้ฟังเราก็ไปคิดดูธรรมะทั้งหมดนี้ท่านต้องการให้ปล่อยวางปล่อยวางจะเกิดขึ้นมานั้นต้องรู้ความเป็นจริงถึงจะปล่อยวางได้ถ้าความรู้ไม่เกิดก็ต้องมีการอดทนมีการพยายามมีการปฏิบัติธรรมอยู่มันต้องใช้ทุนอยู่เสมอทีเดียว เรียกว่าต้องปฏิบัติธรรมแต่เมื่อมันรู้เห็นหมดแล้วธรรมะก็ไม่ได้แบกเอาไปด้วยอย่างเลื่อยคันนี้เขาจะเอาไปตัดไม้เมื่อเขาตัดไม้หมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเลื่อยก็เอาวางไว้เลยไม่ต้องไปใช้อีกเลื่อยคือธรรมะธรรมะต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลถ้าหากว่ามันเสร็จแล้วธรรมะที่อยู่ก็วางไว้เหมือนเลื่อยที่เขาตัดไม้ ท่อนนี้ก็ตัดท่อนนี้ก็ตัดตัดเสร็จแล้วก็วางไว้ที่นี่อย่างนั้นเลื่อยก็ต้องเป็นเลื่อยไม้ก็ต้องเป็นไม้นี่เรียกว่าถึงหยุดแล้วถึงจุดของมันที่สําคัญแล้วสิ้นการตัดไม้ไม่ต้องตัดไม้ตัดพอแล้วเอาเลื่อยวางไว้การประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยธรรมะถ้าหากว่าพอแล้วไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องถอนมัน ไม่ต้องทําอะไรปล่อยวางอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นถ้าไปยึดมั่นหมายมั่นสงสัยอันนี้เป็นอย่างนั้นมันอยู่ไกลเลื้อเกินอยู่ไกลมากทีเดียวยังเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นเด็กอมมืออยู่นั่นแหละทําอะไรไม่ถูกอยู่นั่นไม่เอาแล้วอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ต้องดูต้องดูออกจากจิตใจของเราดูมันปล่อยมันดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็รู้ว่าอันนี้ไม่แน่ อันนี้เกิดไม่จริงอันนี้มันปลอมความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นที่เราอยากให้อันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนั่นไม่ใช่ทางมันเป็นอยู่อย่างนั้นก็วางมันเสียความสงบเกิดขึ้นได้เราข้ามไปข้ามมามันไม่รู้เรื่องก็เป็นทุกตลอดเวลาหายสงสัยแสอย่าไปสงสัยมันเลิกมันเถอะอย่าไปเป็นทุกข์หลายพอแล้ว ปล่อยวางมันเสีย